BOOK 2 38, 38 2> ในรถแท็กซี่ n น่แท็ซี่ช่วยเรียกรถแท็กซี่ให้ด้วยค่ะ POR favor, ไปสถานีราคาเท่าไหร่คะ Quanto custa até a estação? Para o aeroporto. Karuna, v o d i r t o Em frente, por favor. a r u a i r e à direita, por favor. กรุณาช่วยเลี้ยวซ้ายตรงหัวมุมค่ะดิฉันรีบเอวิสตู้กับ e พรสซาดิฉันมีเวลา Eu t ์ n h o tempo กรุณาขับช้าลงได้ไหมคะปอร์ฟาวอร์วามอสเดวากา การุณาจอดรถที่นี่ค่ะ pare aqui, por favor การุนารอสักครู่นะคะ e p เดี๋ว o m ฉันกลับมาค่ะเดี๋ยวฉันกลับมาขอใบเสร็จให้ดิฉันด้วยนะคะโปรดิฉันด้วยนะคะ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 ขับไปส่งดิฉันที่ชายหาดค่ะ